วันนี้ก็เป็นวันอุดมมงคลวันหนึ่งในสังฆมณฑลแห่งสวนแสงธรรมวันนี้เพราะบรรดาพระลูกพระหลานที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนเพื่ออัดเพื่อทมได้สาด้านด้านมาจากที่ต่งตาง มารวมสถานที่นี้มีจำนวนมาก <c oughs> มีความมุ่งล่ามุ่งตาที่จะทำความเคารพ <c oughs> เช่นการทาวัดเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> แล้วจากนั้นก็จะได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่ง น, น, <c oughs> นานๆเราจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ในบรรดาพระสงค์ซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ต่างๆ <c oughs> วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระลูปพระหลานทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้เพื่อฟังอัดฟังธรรมการดำเนินแล้วการแสดงธรรมนี้วันนี้จะแสดงธรรมทางด้านปฏิบัติ คือปฏิปทาของพระในครั้งพุทธกาลเป็นต้นมาจนทั้งปัจจุบันนี้ให้บรรดาพระลูกกานหลานทั้งหลายได้ยินในฝั่งบ้างในฐานะที่หลวงตาก็ศึกษาเรียนมาพอประมาณการออกตะพฤตปฏิบัติอันดับที่สองจากริญัติเรียนมาแล้วก็ไปปฏิบัติ จะว่าพอประมาณก็ไม่สนิใจเท่าว่าการปฏิบัติของเรานี้แทบเป็นแทบตายตลอดมาอย่างนี้จะสนิทใจกับการดำเนินของเราเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานตามทางของศาดสดาเพราะพระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกทรงพรนวด มีตั้งแต่เรื่องเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดตลอดเวลาจึงผ่านพ้นจากควากจากหนามมาได้ในจงบำเพ็ญ <c oughs> พระองค์ถึงหกปีในระยะนั้นก็ถึงขั้นสลบสลายดังที่เราทราบทั้งหลายแล้วที่เราทั้งหลายทราบมาแล้วไม่เป็นที่สงสัย นี่คือความทุกข์ความตะเกียตะกายของศาสดาซึ่งเป็นต้นฉบับของเราซึ่งเป็นลูกแห่งชาวพุทธซึ่งควรจะดำเนินตามท่านพระองค์ทรงบำเพ็ญเวลาเป็นเวลาหกปีนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้เลยเพราะกษัตริยเดจออกทรงพระหนวดก็เหมือนกันกับอ่า เทวบุตรเทวดาตกจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่แดนนรกนั่นแหละที่พระองค์ทรงเป็นศาษษศสดาเสด็จออกทรงพนวดเวลาที่เป็นกษัตริย์ความสุขความสาราญบานพระไย่ตามที่พระองค์ทรงปําเพ็ญมาเพื่อประชาชนทั้งหลายนั้น โลกทั้งหลายเขายอมรับและเขาโลกนับถือท่านกราบไหว้บูชาท่านคามภาษาของเราก็เป็นที่พอพระไทยแม้เช่นนั้นก็ยังไม่จุพระไทยเมื่อ ล, ลึกถึงสิ่งที่เลิดเลือคือธรรมที่จะพาให้พระองค์หลุดพ้นจากภู ต้องทรงคำหนึงคำนวณแล้วเสด็จออกอย่างเที่ยวว่าเฉียบขาดไปเลยพระองค์ทรงเริ่มเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกจากพระราชวังในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวชนั้นพระธรรมก็เตือนถึงสามสี่สี่หนมาแล้ว นี่จะยกมายอ่อๆเพราะท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วเพราะนี่ยกมาพอเป็นแนวทางแห่งธรรมที่จะก้าวเดินต่อไปของศาสน า, า, าของเรา <c oughs> ท่านสด็เดออกเรียกว่าชมพระนครก็ไม่ผิดพ่าเสัตเดจบอกไปวันแรกก็ไปพบคนแก่ ก็เป็นธรรมเทศนาพรามสอนกระพบเด็กเกิดใหม่ก็ทรงสรสดุดพระไทยให้คิดถึงเรื่องความเกิดของเด็กแล้วสัตว์ทั่วโลกเกิดเป็นอย่างไรบ้างก็เหมือนเด็กที่ทรงพบเห็นอยู่ในเวลานั้น <c oughs> ไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ด, ดิ้นดิดเหมือนตัวบุ้งตัวนอน แต่เต็มไปด้วยความถูกในร่างกายของเด็กนั้นพระองค์สเสด็จกลับมาพิจิจพิจรารณาพร่มสอนพระองค์เองนเนหากเสด็จไปวันที่สองเสด็จไอีกก็ไปพบคนแก่คนแก่แต่กรข้อมีอยู่แล้วเต็มบ้านเต็มเมืองเรียกแบบเต็มโลกเต็มสงสาร แต่คนแก่ทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่มาสะเทือนพระทัยเหมือนคนแก่ที่พระองค์ได้ทรงประสบในเวลานั้นถึงกับสะดุดพระทัยนำนำมาพิจารณาถึงเรื่องความแก่ความแก่นี้เป็นความล้มลุกคุกพรลานเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานอันนี้อิริยาบทต่างๆหาความสุขไม่ได้เลย เพราะอำนาจแห่งความเท่าความแก่นี่เป็นวันที่สองเมื่อสะดุดพระไทยแล้วก็เสด็จกลับทรงนำเรื่องราวแห่งความเกิดของเด็กและความแก่ของสัตว์โลกทั่วๆไปโดยมีคนแก่วันนั้นเป็นต้นเหตุมาพิจารณาวันที่สามก็ไปพบ คนตายเมื่อพบคนตายเรื่องความตายนี้ก็เคยตายมากี่กั้กี่กันแล้วในบรรดาสัตว์โลกตัวผู้ไปพระองค์ก็ไม่ได้ทรงคิดนึกติดตองอะไรมากนักยิ่งกว่าวันไปทรงประสบเห็นคนตายในขณะที่เสด็จทรงเยี่ยมพระนครนั้นก็เป็นธรรมเทศนาะ เตือนพระองค์แล้วก็ทรงเสด็จกลับไปถึงไปในพระราชวางังนำธรรมเหล่านี้ไปพิิพิจารณาโดยความเป็นธรรมล้วนๆ <c oughs> เพราะวันคำลบสี่ก็เสด็จไปอีกแล้วไ ป, ไปพบสมณะนั้นคือท่านผู้บำเพ็ญศีลธรรมสงบกายวาจาใจของตน ทำภาวนาหรือทมความสมสงบที่เป็นที่สวยงามตาเย็นใจนั้นแหละในขณะที่พระองค์ทรงพบเห็นก็ถาม <c oughs> สารถีมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เด็กเติดคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วมาถามถึงสะเรื่อง <c oughs> สมณาพราม <c oughs> ราชชลก็ทูลพระองค์ว่านี่คือท่านผู้บำเพ็ญศีลธรรมเพื่อความสงบกายวาจาใจ <c oughs> จากบาปจากกรรมทั้งหลายแล้วอยู่เป็นความสงบเย็นใจนี่คือเพศที่เหมาะสมเป็นเพศที่ละความชั่วประกอบคุณงามความดีพระองค์ทรงสะดุดพระไทยแล้วเสด็จกลับ ได้นำธรรมสี่กันใหญ่ๆนี้มาพิจิตติเจานาวันสุดท้ายก็ไดยทรงตัดสินพระไทย <c oughs> เพราะธรรมเทศนาสี่กันนี้เป็นกันใหญ่โตมากสามารถที่จะยกพระองค์ให้หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เคยเป็นมาเหมือนสัตว์โลกทั่วๆไปเสียได้ จะนำพระองค์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยการคดเคก อ, อก้อยวส่งผลการอยู่เกลี่ยนผลวุ่นวายกับโลกกับสงสารนี่ทั้งเขาทั้งเราเรื่องความทุกข์นั้นมีพอๆกันไม่มีใครมีน้ำหนักมากน้อยแห่งความสุขความทุกข์ต่างกันเลยบรรดาที่สัตว์โลกซึ่งมีที่เวิต ที่เป็นเจ้าอำนาจครอบครองหัวใจด้อมบีบบีสีไฟให้ได้รับความทุกข์ในแง่ต่างๆกันอย่างนี้เสมอมาแล้วถ้ายังจะนอนใจอยู่อีกก็จะเป็นความทุกข์ความท ร, รมานแต่ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลและตัวของเราเองตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดการออบวชดเพื่อสงบสิ่งเหล่านี้ได้ นั่นเป็นความดีและเป็นความชอบเท่าอย่างชาบธรรมอย่างมากถึงศูนพระไทยในการที่จะเสด็จออกบวชให้หนักเข้าโดยลำดับจนถึงในคืนวันที่จะเสด็จออกทรงพระโวดทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏเป็นเทวบันดาลมาเสียทั้งนั้นในพระราชสวังซึ่งเต็มไปด้วย นางขับกล่อมบำรุงบำเลอให้พระได้รับความสุขความสําราบานพระไทยแต่ในคืนวันนั้นตอนดึกสงัดพระกวะเ น, นียบไปหมดพระองค์ได้เเด็จออกมาดูบรรดาพวกขับกร่อมบำรุงบำเลอบำรุงบนเลอทั้งหลายนั้นกลายเป็นป่าช้าผีดิบ ขึ้นมาประจักพระไทยพระของพระองค์คือทุกวันทุกวันที่ผ่านมาเป็นความรื่นเริงบันเทิงให้สนุกสนานสำราญพระไทยแต่วันนั้นกลายเป็นปา่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดคือผู้พ่วงน้มขับกล่องบำลุงบำเลอละเมอเพาอฝันทิ้งเนื้อทิ้งตัวหลับ เพื่อนอยู่เหมือนกับป่าชา้าผีดิบในพระราชาวังนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วมีความชลดาบ้าไทยเป็นอย่างนี้หลับก็หลับข้อข้อแอกแอกทิ้งเนื้อทิ้งตัวนีทน่ท่านก็ทรงพิจารณาที่ทิ้งเนื้อทิ้งตัวนั้นเป็นเหมือนกับคนที่จะตายทุรนทุลาย ไม่ได้สติสีตังผู้หลับพ่อพ่อก็อเหมือนกับผู้คอยที่จะลมหายใจจะขาดผู้ที่ตายผู้ที่หลับนอนนิ่งกะบประหนึ่งว่าผู้ตายไปแล้วผู้ที่กำลังละเมอเพ้อฝันอยู่ก็เหมือนอย่างว่าดีดตี้นกำลังจะตายพระองค์ทรงที่เจรณาเึงนเหตุผลกลไก่อย่างนี้แล้วทนไม่ไหว ตัดสิงจะเสด็จออกทรงผนวดในคืนวันนั้น <c oughs> แต่ก็ทรงเป็นห่วงพระราหุลที่เป็นพระราจุกรมารก่อนจะเสด็จก็อยากจะได้ชมพระราหุลพระราจุกรมารก่อนพอคิดถึงอย่างนี้แล้วพระบารมีก็สะเทือนใจเตือนพระไัยเข้ามาว่าเมื่อเสด็จ เข้าไปชมพระพราหุลแล้วแม่กับลูกนอนกอดกันอยู่ในหัวอกแม่พอเข้าไปเยี่ยมลูกแม่ก็จะตื่นนอนแม่ก็จะพันพอเอาแล้วก็จะไปไม่ได้พระองค์ตัดถึงพระไทยด้วยความแสนรักแสนอะไรต่อพระราชาลวดเลยตัดถึงใจไม่เข้าไป พอเข้าไปก็จะเป็นผ้าสือเดี่ยวกับพระชายานั่นแหละย <c oughs> ืงสเสด็จออกทรงพนวดมีฉันหน้าอามาัด <c oughs> เป็นผู้พา้าเดินออกจากพระราชวัง <c oughs> ทรงมากอะไรเขาอยากลืมจะแล้วละ่ะฮะ ทรงมากกันทกะสีขาวพอออกมาถึงประตูพระราชวังประตูพระราชวังปกติจะมีตำรวจทหารกี่ชั้นรักษาอยู่นั่นแต่วันนั้นเผลินเปิดไปหมดประตูไม่มีปราหนึ่งว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นประตูเปิดกระเดกออกอย่างสะดวกสบายนี่แล้วก็ เอาทีนี่สรุปความก็ไปถึงสถานที่ที่บาเพงรับสั่งชันนะอมะให้กับพระราชวังมากรทักกะมีความเสียอกเสียใจเรียกว่าอกแตกตายในเวลานั้นเลยพระองค์ก็เป็นอันว่าบาเพงต่อไปด้วยความลำบากลำบนนี่คือ <c oughs> <c oughs> มหาัตทศทสัตเอกออกจากพระราชวังเหมือนกับเทวุเทวราตกจากสวรรค์ลงสู่นรกคือเข้าสู่สถานที่บำเพ็ญเพื่อการฝึกฝนท ร, รมานพระองค์เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดที่ว่าไสลบสลายไปถึงสามครั้ง <c oughs> นี่ต้น แห่งพระพุทธศาสนาของเรา <c oughs> มาถึงขั้นสลบสลายแล้วก็ทรงเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญ <c oughs> ในคืนวันเดือนหกเพนก็ทรงบำเพ็ญอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเพราะทรงพิจนาย้อนหลังในคราวที่เป็น <c oughs> พระราชากุมารที่ตามเสด็จพระราชบิดาไปเรียกนาวขวานได้ทรงบำเพ็ญอยู่ที่ล่มว่าใหญ่เกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในคราวที่เป็น <c oughs> พระโอรสอยู่นั่นจึงทรงเอาอารมณ์อนั้นมาพิจรารณาในคืนบันเดือนหกเพ็ญพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญในคืนเดือนหกเพ็ญด้วยอนาปานัสสติ เบื้องต้นได้สำเร็จในปฐมยามสำเร็จหรือบรรลุอุ เ, อ <c oughs> เพนิวาสานุสติยานทรงฤลึกา <c oughs> ชาติของพระองค์ย้อนหลังได้ไม่มีประมาณมากต่อมาซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นชาติที่คลุกเคล้ากับความทุกข์ความทาราืณ มาโดยลำดับลำดากีกับนับไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันทรงพิจารณาย้อนหลังเห็นภพชาติของพระองค์เองว่าแสนทุกข์แสนทารมานที่เกิดแก่เก็บตายแบบหามของทุกสัรพนกันมาตลอดในอันดับที่สองการภาวนาของพระองค์เริ่มปรากฏแล้วว่าถูกทาง เพราะฉะนั้นปฐมยามจึงได้ทรงบรรลุอุพเพนิวาสานุสติญาณอันดับที่สองก็คือมัชฌิมยามทรงบรรลุถึงกตุปาตญาณเลงยงญาณดูความเกิดความตายของสัตว์ทั่วแดนโลกาฐานเต็มไปหมดด้วยการท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายแบบหามของทุกข อ, ขอรมาน มาตลอดเช่นเดียวกันกันกบพระองค์จึงทรงประวลเรื่องทั้งสองที่พาให้สัตว์เกิดแจกเก็บตายนี้เข้ามาสู่ต้นเหตุอันใหญ่หลวงว่าอะไรพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแจกเก็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้มันคืออะไรยิงทรงพิจารณาที่เรียกว่าเป็นปัจจัยาการ เรียกว่าอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราตลอดไป <c oughs> นี่เป็นตัวการสำคัญที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เกิดตายทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังตั้งแต่อวิชชาปัจจยาเป็นสาวยาวเหยียดไปรวมลงแล้วเรียกว่าสิ่งเหล่านี้สมุยโยโหติเป็นสมุดไทยคือสาเหตุ แห่งการยังสัตว์ทั้งหลายให้เกิดตายไม่มีหยุดยั้งได้เลยแล้วพิจารณายังไงมันถึงจะมีการยับยั้งและขาดกันไปจากการเกิดแก่เกิดตายจึงทรงพริจารณาย้อนหน้าย้อนหลังก็มาถึงตัววิชาดอยางประจักพระไยในหัวใจของพระองค์เองขณะนั้นแล้วก็ถอนอวิชาขึ้นจาก ใจโดยสิ้นเชิไม่มีเสิ่ใดเหลือเรียกว่าตราัสสลุธรรมเดือนในเดือนหกเป็นขณะนั่นแหละเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาอาวิชานั่นก็กลายเมื่อไปอวิชาดับแล้วก็กลายเป็นว่าอาวิชยาะตะเวอเซสวิลาคานิโรธาจนกระทั่งถึงนิ โ, โรโทโหติดับสันนเรื่อง อิเลทั้งหลายมีอวิชชาเป็นตัวสำคัญได้สิ้นรากไปแล้วจากพระไัยของพระองค์ก า, ารตรัสรู้ธรรมก็เลยสว่างจ้าขึ้นในคืนวันเดือนหกเพนสรงรู้สงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเรีย ว, ว่าโลกมีถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกใน ตลอดทั่วถึงหายสงสัยแล้วก็ น, นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนจัดโลกนี่คือองศาสด า, า, าของเหลาท่านทาดำเนินมาด้วยความเด็ดเดี่ยวอดหันเพื่ออจัจเพื่อทำเพื่อมักผลนิพพานเพื่อความเป็นศาสตรดาของโลกตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในองค์ปัจจุบัน <c oughs> ท่านนามท่านว่าพระสมนาสัมมนี่ จากนั้นแล้วท่านก็ประทานเท้าวาดแ่บรัรดาสัตว์ทั้งหลายขึ้นต้นก็เป็นจวัวคีทั้งห้าได้รับธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงในธรรมจักรกับปวัตินาสุนั่นแหละนี่เป็นปฐมมาเลิกปฐมมามักของธรรมที่บุะเจ้าทรงสแสดงแต่เป็นจวัวคีทั้งห้า ในเ็นเจวัคคีทั้งห้านั้นพระัญญาโคนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมประจั์หัวใจในอันดับต่อไปก็เ็นเจวัคคีทั้งห้าก็เดินตัดรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นสังหารกิเลสขาดทะบันไปจากปิดใจโดยสิ้นเชิงด้วยอนัตตะและอนัสุ ในเบื้องต้นแสดงธรรมจากกับปวัฒนาสูตรห้าหนาโค น, ห น, หนัญญได้ดวงตาเห็นธรรมอันดับต่อไปทรงแสดง <c oughs> อนัตตลกนณสูตรอย่างบรรดาภาษาวก ค, คือเดนเจวักีทั้งห้าเป็นพระรหัตทหารจากนั้นประกาศธรรมสอนโลกด้วยมา <c oughs> เรื่อยมาเป็นลำดับ บรรดาสาวกทั้งหลายเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นแล้วการเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นในสถานที่เช่นไร <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาลำนอไพรถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าเป็นเมืองพารานสีเพราะนานแล้วจําไม่ค่อยได้แน่นจำขอให้พระลูกพระหลานจําเอาตามตำลับตำลาซึ่งถูกต้องแน่นอนแ ล, แล้วนั้นก็แล้วกันนะเราจะพูด พอเป็นเราๆาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนี่ยการบำเพ็ญของพระองค์ทรงบำเพ็ญเต็ม เ, เม็ดเต็เมตนหน่วยไม่อะไรเสียดายไพรฟ้าประชาชนทั่วประเทศเจ็ดแดนทงสัดสมศระออกหมดแม้ที่สุดพระราหุลกับพระนางปินภาก็ต้องต่อยกันด้วยความเด็ดขาดพระองค์ตัดพระไทย ออกจากพระราชวังพระหนึ่งว่าไปได้วยความสลบสลายเพราะความเด็ดขาดเพื่อความเป็นศาสด า, าของโลกแล้วก็สมพระไทยสมหวังได้ จ, จัดรูขึ้นมาสั่งสอนสัต์โลกเรื่อยมาจนทั่งเป็นจักรพรรดิตลอดไปนี่เป็นแถวแนวที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิทธาคตรที่เรียกว่าสากยะบุตร จะได้นำมาเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติต่อไปแล้วการประกาศธรรมกับประกาศมรรคผลยิปานต่อโลกทั้งหลายนั้นเป็นไปในระยะเดียวกันระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นอรหัตตะบุคคลมีจำนวนมากทีเดียวแล้วองลมาก็เป็นพระนาคาเป็นชักขิทาคาเป็นเสด เป็นโสดาบันและเป็นกริยานัภิกษุและกริรยานับอยชนตลอดมาด้วยอานาจแห่งความเอาจิงเอาจังในการบําเพ็ญอัตธรรมทั้งหลายพร้อมกับอัธรรมก็ท้าทายอยู่แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถ้อว่าจะต้องได้ผลเป็นที่พึงพอใจเต็มกำลังความสามารถทั้งหลายเนี่ย ขอให้เราทั้งหลายได้ยึดหลักเป็นแห่งศาสนธรรมที่ทรงวางแบบแปลนแผนผังไว้แล้วนี้ด้วยความถูกต้องแม่นยำโดยสวขาดธรรมแล้วให้พากันไปดำเนินการบาเพ็ญตัวเอง <c oughs> นี่เป็นหลักใหญ่ที่แสดงมานี้เป็นพื้นฐานให้พระลูกพรหลานทั้งหลายได้ยึดได้เกาะในการประพฤติปฏิบัติตัว สถานที่สงบ่งเียน็นั่นและจะเป็นสถานที่เพาะอักเพาะธรรมเป็นสถานที่บำเพ็ญคุณงามความดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่ท่านสอนไว้ในเวลาพระสงฆ์บวชทีแรกจะเป็นองค์ใดก็ตามเมื่อบวชแล้วก็ทรงแสดงว่าลุขโมเล เ, เสนาสนังนิซาญา ป, ปะปชาตัทเะเยาวชจีวังอุสาโภอรณิโย บรรชาประวัตทแล้ว <c oughs> ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลล่องไม้คือลมไม้ในป่าในเขาตามถ้าเหืืองผาป่าช้าป่าโลชัดที่แกลงผางอันเป็นสฐานที่สงบร่มเย็นปราชจากความสัญจรวุ่นวายทั้งหลายการบำเพ็ญจะเป็นความสะดวกสบายนี่อั น, น แล้วงานที่จะบำเพ็ญในสถานที่สะดวกสบายนั้นคืองานเช่นไรท่านสอนไว้ว่าเจสาโลมานะคาทันตาตะโจนี่คืองานอันใหญ่หลวงสำหรับพระของเราที่จะต้องทำให้สมบูรณ์โลผ ล, ผลความสมบูรณ์โพลผลแห่งงานนี้คือการรู้แกงแทงทะลุในงานของตนโดย พิจารณาตั้งแต่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจขึ้นไปโดยลาดับที่อยู่ในที่มีอยู่ในอัยวะของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลทั่วไปหมดนำมาพินิพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เบื้องต้นให้เป็นอารมณ์ของจิตเช่นเกสาโลมาให้มาเป็นอารมณ์สมถตาธรรมเพื่อความสงบของใจก็ได้เช่นเรานำมาบุญีรรม เขาเรียกว่าเป็นสมถะธรรมให้จิตลีสัติตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แห่งธรรมซึ่งระวิกรรมนั่นเช่นเจสาโุมาเป็นตน้นนี่ก็เป็นสมถะธรรมได้เมื่อทําจิตของเรามีความสงบองสัยเป็นลําดับลาดา ล, ลงไปแล้วควรแกการพิจารณาทางด้านวิปัสสนาซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาอันเจียบแหลมกว้างขวางมากมายนั้นเราก็ นำเอาอาการสี่ห้าประการนี้แหละเบสาโรมานค า, าทันต า, าตะโจแล้วกดตายเข้าไปถึงเนื้อถึงหนังตับไตไส้พุงซึ่งเป็นบอกอซึ่งเป็นป่าชาผีดิบผีตายรวมกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนี่ทั้งนั้นเวลานี้เรายังไม่ตายก็เป็นป่าชาผีดิบเต็มไปด้วยสิงอาจุภะอภาจุปังทุกขังอิจังอนาตา เวลาตายแล้วหมดคุณค่าหมดราคาเขาเรียกว่าช้าคนตายให้พิจารณารู้แจ้งเห <c oughs> ็นจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ในเวลาพิจารณาตั้งแต่สมรรถธรรมให้มีความเอาจริงเอาจังต่อหน้าที่การงานของตนหน้าที่การงานของพระโดยแท้แล้ว มีตั้งแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจได้ความสังรวมระวังมีสติติดแนบอยู่กับตัวตลอดไปเรียกว่าเ ป, เป็นผู้สังรวมระวังอยู่ด้วยสติมีความสุขขุมคำเภีรภาพอยู่กับผัด ก, กับคำโดยทางสติปัญญาไม่ เผอไม่เลอะไปไหนเรียกว่าไม่ฟุ้งเฟอ้อเหิมไปตางโลกตามสงสารที่เคยมีมาตั้งแต่ตั้งกันแล้วเราก็เคยผ่านมาแล้วถึงเอนนี้มากมายและนานขนาดไหนบบบนี้เราเป็นเวลาที่จะพินิจพิจารณาบำเพ็ญอัตธรรมของเราภายในจิตใจให้รู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย นี่ซึ่งเราทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ติดผู้พันกับสิ่งเหล่านี้ ส, นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดเราเราติดเขาเมื่อเราติดเขาย่อมจึงต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกศาโรมาณขาทันตาตาโจแล้วเข้าไปภายในทลุ ป, ปูโปงไปหมดกายวัยวะนี้ทั้งหมดแยกเป็นอรูปะอสุปังทุกขังอริจังอนัตตาป่าชาผีดิปปาช้าผีตาย แย yeah, กพิจารณาให้เจทัดเจ็ ด, ดทบทวนกลับไปกลับมาไม่มีคำว่าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หลายเที่ยวไม่สำคัญถือเอาความชำนิชำนาในการพริจารณาทางด้านปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเราได้นำคำวิกรรมนี้เข้ามาสู่จิตใจบาเพ็ญิตะเป็นกิตาภาวนาดังที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญอยู่ แม้จะไม่บาเพ็ญทางเภสัลวมาก็ตามบำเพ็ญทำข้อใดเช่นพุทโทหรือธรรมโมหรือสังโฆตามแต่การหลุดเนตสายชอบของเราเรานาเขามากำกับใจวิกรรมอยู่กับใจของเราแล้วมีสติสตังกำกับรักษาอยู่ตลอดเวลานี่ได้เรียกว่าภาวนาโดยชอบธรมถ้าเผลอสติแล้วไม่เรียกว่าชอบรม เผลอสติเมื่อไใดเรียกว่าขาดความเพียรไม่ว่าจะวิกรรมคำใดและไม่ว่าจะเดินจงกรมอยู่หรือนั่งสมาธิภาวนาถ้าเผลอสติเมื่อไรความเพียรก็เรียกว่าขาดเมื่อนั้นจงจําคํานี้ให้ดีนี่ละการพิณิพิจารณาการภาวนาเพื่อจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ไร้ว่าต่างสงสารเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพาดําเนินมาท่านดําเดินอย่างนี้ วิธีการที่ข้าวเดินก็ก้าวเดินอย่างนี้เริ่มตั้งแต่บริกรรมภาวนาเพราจิตไม่มีที่ยึดที่ก่อไหวคว้าตลอดเราจะปล่อยให้จิตนีคไหวคว้าไปธรรมาดาแต่เราจะมีสติตั้งความรู้สึกไว้กับความรู้ของเราความรู้สึกก็ไม่มีความแน่นอนมันเล็ดรอดไปทั้งไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นความแน่นอนแล้วมั่นใจเราตรงมี คำวรริกรรมกรรกับใจของเราแท่นคำวิกรรมพุทธโธหรือธรรมหรือมานรณสติตามแต่จลิตนิสัยของใครชอบทำบทใ ด, ดให้นํำทำบทนั้นมากํากับใจของเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆแล้วเรื่องของเจลิตที่พาพลักกันออกไปให้ชิดไม่รู้แล้วรู้หลอดไม่มีไม่มีความอิ่มพอ ซึ่งออกไปจากใจนี้จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปเมื่อได้ทำวิกรรมซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมเข้ามาทำงานแทนที่วิเลตทำงานแล้วามความสงบของใจจะค่อยเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาเพราะคำวิกรรมนี้บังคับไว้ไม่ให้ปิดส่งออกไปภายนอกอันเป็นเรื่องของสมุทัยใจจะเป็นความสงบเย็นขึ้นมา แล้วให้ทําอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมออย่าไปคิดป่าเท่านั้นเดือนเท่านี้ปีอย่าไปคิดเสียเวลาเวลาให้ดูจากคำโมดิกรรมกับจิตของเราไม่ให้เผลอกันเท่านี้เป็นการถูกทางอาวมากุญญาพานจะอยู่สูงอยู่ต่าอยู่ได้อยู่ใจที่ไห น, นอย่าไปคํานึงขอให้จับจุดนี้ไว้ให้ดีเหมือนเราเดินทาง <c oughs> เราเดินจากจุดนี้ไปสู่บ้าง น, นั้นเมือง น, นั้น เราจะไปคำนึงคำนวณหอนทางมากยิ่งกว่าการก้าวเดินของเราให้ถูกทางในปัจจุบันปัจจุบันนี้ตลอดไปทางไหนแยกไปทางไหนให้จับจุดเดิมนี้ไว้ก้าวเดินไปตามสายทางที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าสายทางพื้นเป็นพื้นทางให้ก้าวเดินตามนี้นี่พื้นทางแห่งมรรคผลนิพพานก็คือ การบริกรรมจิตใจผูกมัดจิตใจไว้ด้วยคาบริกรรมมีสติกรรมกับรักษาใจเมื่อได้รับการบริกรรมด้วยสติสตังอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วจะค่อยขี้คลายตัวออกมาโดยลำดับลำดาความคิดความปรมิของจิตใจที่เป็นเรื่องสมุทยัยคือกิเลสนั้นจะค่อยจางไปจางไปแต่ความคิดทางอัตธรรมคือคาบริกรรมนี้จันหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆ ที่นี้คําำวิกรรมนี้เลยเป็นสรฐานที่อยู่ของใจเป็นกระฐานที่พึ่งอาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจไปเป็นลําดับลาดาเรื่องความคิดความปรุงทางสมุทยัยนั้นจะจางไปจางม่นี่ท่านเรียกว่าบำเพ็ญธรรมเพื่อมรักเพื่อผลให้จับต้นทางนี้ให้ดีนี้เบื้องต้นกจะหนีจากนี้ไปไม่ได้ต้องกําหนดนให้ดี ต่อไปจิตจะมีความสงบลงไปสงบลงไปซตดไปติดแนบตลอดเวลานี่เนี่ยว่าการบำเพ็ญธรรมเพื่อความสงบการสงบหลายครั้งหลายผลก็สร้างผลขึ้นมาให้เป็นพลังของใจกลายเป็นจิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้คำว่าสมาธิกับความสงบไม่เหมือนกันในภาคปฏิบัติ ความสงบคือใจของเราสงบแต่ละครั้งเช่นจิตรวมเป็นครั้งเป็นคราวแล้วถอนออกมาถอนออกมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อสงบหลายครั้งหลายผลก็สร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจอืแล้วใจก็กลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในใจใช่เองนี่เรียกว่าใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายผล นั่นแหละส่งหมูนกำลังให้จิตเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาได้และจากนั้นแล้วก็จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินั้นคืออย่างไรจิตเป็นสมาธินี้เมื่อเป็นฐานของสมาธิ <c oughs> โดยตรงแล้วนะเราจะคิดจะอ่านกุงแต่มเรื่องอะไรก็ได้ แต่ฐานของจิตที่เป็นสมาธินั้นแน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมภายในใจของเรานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นความสงบนั้นคือเวลาเข้าสู่ความสงบเช่นเรียกว่าจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าจิตสงบงสงบลงไปแล้วถอนขึ้นมาสงบลงไปแล้วถอนขึ้นมานี่เรียกว่าจิตสงบจิตรวม แต่เมื่อสงบหลายครั้งหลายหนถอนไปแล้วครังหนแล้วก็สร้างฐานขึ้นมาให้จิตมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมานี่แหละที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี่มีความแน่นหนามั่นคงมากเ อ, อ่ออิ่มภายในตัวเองอิ่มอารมณ์ภายนอก <c oughs> ทางตาทางหูจมูกยิ้มใจยิ้มจมั่นยิว้วหอยหยักเห็นอยากได้ยินได้ฟังนี่ มันจะระงับดับไปเลยเหมือนหนึ่งว่าไม่มีความอยากเนี่ยไม่อยากดูอยากรู้อยากเห็นอะไรชมตั้งแต่ความสงบภายในใจแน่นหนามัน่นคงมีความรู้เป็นอันเดียวนี่เรียกว่าเอ ก, กจิตเอกธรรมคือจิตเป็นสมาธิแล้วเป็นเอกจิตเอกธรรมขึ้นมาในนั้นรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่ทั้งนั้นอยากอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน เพินอยู่กับความรู้อันเดียวที่เป็นของแปลกประหลาดในขั้นสมาธินะเนี่ยแล้ว เ, เพิ่นเพราะฉะนั้นจิตที่ถ้าไม่มีผู้แนะนําสั่งสอนทางด้านปัญญาแล้วจิตถึงติดสมาธิได้ต้องติดไปสงสัยเพราะเป็นอ่อออารสมีรสชาติสมควรที่จะให้จิตติดได้ในสมาธิเพราะฉะนั้นทา่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งมีคุณค่า มากยิ่งกว่าสมาธิเข้าไปแล้วเราก็เอาสมาธินี้แหละขอสงบลงไปพอสมควรเป็นพื้นฐานแล้วให้พิจารณาพิจารณาอะไรก็คือเกสารูมานาคาทันตาตะโจตลอดอาการสามีสองทุกอาการเหล่านี้เป็นกลายเป็นอารมณ์มิปัจ ส, สนาไปแล้วทิ่งแต่ก่อนเป็นอารมณ์ของสมถะด้วยเกส า, ารูมาบริกรรมทีนี้กลายเป็น สถานที่ด้วอเป็นงานของวิปัสนาพิจารณาแยกแยะเรื่องสิ่งเหล่านี้อาการสามที่สองที่มีในกายของเราด้วยปัญญามีสติควบคุมรักษาตลอดแล้วสิ่งเหล่านี้จะค่อยแจ่มแจ้งขึ้นภายในจิตใจของเราปัญญาของเราจะมีความเฉียวชฉลาแก้วกล้าสามารถและมีมีม ความเทียบแย้มละเอียดรอเป็นลําดับลําดาไปนี่การพิจารณากายอาการเหล่านี้เพื่อเป็นวิปัสนาการพิจารณาทางด้านวิปัสนานั่นแหละเป็นการเริ่มถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไปโดยลําดับนับตั้งแต่เรื่องของกายซึ่งเป็นเรื่องกามาพิเลสนี่มันต้องพิจารณาเรื่องนี้พอพิจารณาเรื่องนี้แยบขายเท่าไหร่เท่าไหร่จิตจะค่อยปล่อยวางปล่อยวาง อารมทั้งหลายของโลกที่เคยมีรถมีชาติจะกจี๊ดจางไปจี๊ดจางไปอารถของธรรมจะมีความแน่นหนามั่นคงหรือรถชาติยิ่งขึ้นโดยลาดับลาดานี่เรียกว่ากาญพิจารณาทางด้านปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญานี้แปลงความกว้างขวาง ม, มากนะไม่ได้เหมือนสมาธิ สมาธินี่เวลาถึงขั้นเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะทําให้ยิ่งกว่านั้นไม่ได้เรียกว่าพอในขั้นสมาธิจะพิจารณาอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ยิ่งเหมือนน้ําเต็มแก้วเมื่อน้ําเต็มแก้วแล้วเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่อยู่ไหลออกหมดรับได้แต่เพียงขอบแก้วเท่านั้นนี่จิตใจที่เป็นสมาธิเข้า อ, อยู่ในขอบของสมาธิเต็มภูมิเพียงเท่านี้ ไม่เลยนี่ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาทางทางอาการทั้งหลายเพราะจิตติดพันกับสิ่งอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวจิตเป็นสมาธิเพียงสมบูตัวเข้าไปเท่ากับหินทับหญ้าเท่านั้ น, นที้เราต้องการให้อย่างนั้นถอนหญ้าออกด้วยสติปัญด้วยปัญญาของเราพินิพิจารณาถอดถอนสิ่งอนนี้เป็นลาดับลาดาไป แล้วพิจารณาเล่าแล้วพิจารณาเล่าแล้วเล่าอยู่นั้นนะเอาจนมีความจำนี้จำนาในเรื่องสกดากายกับปัญญาที่เราพิจารณาหากรู้เจ้าของเองเมื่อพิจารณาถึงขั้นความคล่องแคล่วว่องไวต่อการต่ออาการเหล่า น, นี้แล้วปัญญาจะมีความาแทันแหลมแหลมคมรวดเร็วขึ้นเป็ดำดำำนลําดับธรรมานี่แหละที่นี่จากนั้นปัญญานี้จะก้าวขึ้นทํา สูงรละหยัดก่อนนี้ไปเป็นันดับแต่นี้จะอธิบายให้ฟังเป็นยอดๆถ้าจะอธิบายตามแถวแนวนี้จะไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้เพียงขออธิบายเท่าที่จำเป็นที่พระรูปปันหลานทั้งหลายจะควรยืดไปเป็นข้อวัดปฏิบัตินะให้ใช้ยอย่างเรียง เราเข้าเดินทางด้านปัญญานี้จะเป็นการบุกเบิกถึงธรรมอร่ยละเอะละออที่เล็ลเดละเอียดออจนกระทั่งถึงมรรคผลผนิพพานจะเกี่ยวโยงกันไปโดยลำลำดาเรื่อไม่ให้วิจารณาคาดมรกคาดผลว่าอยู่ใกล้อ ย, อยู่ไกลสิ่งเหล่านี้และเป็นเครื่องบุปิดบังทัตติปัญญาของเราไม่ทะลุปูกโผถึงแดนพ้นถูกคือความวัยสุทธุพน จึงต้องพิจารณานี่บเปิดกนี้ไปแล้วจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ่ทะลุถึงความผุกพ้นจากทุกข์อาเรานี้เองที่ครัวพันกับมันนี้แหละให้เป็นทุกต่อยนี้แล้วทุกข์กระมาจากไหนก็ถึงก็ถึงกันว่ามรรคผลนิพพานศาสนาพระพุทธของพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เป็นอาตายิโกเสมอต้นเสมอปลายในการวบงเป็นอัตธรรมตั้งแต่พื้นพื้นถึงมรรคผลนิพพาน สดสดร้อนๆตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และจะสดสดร้อนร้อนตลอดไปเมื่อมีผู้ตั้งใจปฏิบัติตามสวาคาธรรมอยู่แล้วสวาคาธรรมคือตัดไว้ชอบแล้วพระวินัยก็ชอบพระธรรมก็ชอบนักบวชเราขอให้รักษาพระวินัยให้เข้่มหัวปวดขันยาละหลวมพระวินัยนี้เป็นรั้ว ก, กั้นทาง จิตใจของเราที่จะแหวกแนวไปหาเสี่ยนหาหนามหาฟืนหาไฟเห็นแล้วก็มาเผาตัวเองเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปถามถึงเลยถ้าลงได้ข้ามพระวิันซึ่งเป็นรั้วกัน้นเพื่อความปลอดภัยไปได้แล้วมีแต่กิเลสเท่านั้นจะเอาไปถลุงนะให้รักษาให้ดีพระวินันนี่คือองค์ศาสดาดังที่ท่านประทานไว้ว่ารูกกอนอนนท์ พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคนเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วนี่พระธรรมพระวินัยอะไ ร, รพระวินัยคือรั้วกันสองภาคทางยาปิดยาแวอยาข้ า, ม, ารรมพระวินัยออกไปจะมีแต่เสี้ยนแต่น้ำตามสองภาคทางข้างนอกนั้นมีแต่เสี้ยนแต่น้ำภายในมีแต่ธรรมรุนรวนให้ดาเธอแลวัตธรรมก็คือ ดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวบำเป็นความภาคเพียรเช่นพิทาภาวนานี่คือการก้าวเดินไปตามทางธรรมพระวินัยของเราไม่ล่วงไม่เกินจิตใจไม่เดือดร้อนจิตใจไม่ละแคละคลายไม่สร้างความตังมูนวุ่นวายแค่แก่ตัวเองถึงกับการภาวนาหาความสงบไม่ได้เมื่อจิตมีความบริสุทธิ์ภายในใจ แล้วด้วยสิลด้วยธรรมเราจะภาวนาไปด้วยความราบรื่นดีงามนี่คือการปฏิบัติตนเพื่อความราบรื่นดีมานต่อมรผลนิพพานนั้นาตามที่ท่านเแสดงไว้ว่าอาการนิโรเป็นธรรมที่เ ส, สดร้อนๆ้อนอยู่ทั้งเิเลรและทั้งธรรมนั่นแหละนิเละก็อยู่ในหัวใจเราเกิดที่หัวใจเราอยู่ที่หัวใจเราธรรมเขามีอยู่ที่หัวใจเราเกิดจากหัวใจเรา เราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมนี่ต้องกำจัดวิเลศซึ่งมันหลีในหัวใจออกแล้วสั่งสมธรรมังเพ็ญธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจเราก็จะได้ตักตวงเอามรกเอาผลเอาความชื่นชมยินดีความสว่างสวัยตั้งแต่สมาธิความสงบงสมาธิขึ้นไปเก้าขึ้นสู่วิปัสสนาปัญญาเป็นชั้นๆขึ้นไปด้วยการบงเพ็ญธรรมของเรานี่เรียกว่าเรา ก้าไปตามธรรมทำถก็เกิดเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปพ อ, อกจากใจดวงเดียวกันเราไม่เอื้อมไปหาที่เล็กมีแต่ปัดออกปัดออกแล้วเอื้อมเข้าสู่ธรรมบำลุงธรรมศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาก้าวเดินให้ดีด้วยกันแล้วเราจะเจิจมเรื่องอดัดเรื่องธรรมเรื่องความแปลกประหลาดอาจจะรย์ขึ้นที่จิตใจของเราเป็นลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงเรื่องอมรรคผลนิพพาน <c oughs> พระพุทธเจ้าเอาธรรมแปล ก, กวามมาที่ไหนเอาธรรมของจริงทั้งนั้นมาสอนโลกสอนไว้ด้วยความจริงเราปฏิบัติตามธรรมของจริงนี้แล้วจะเจอาอาจจะทำตามทางศาสต ร, สราที่สอนไว้ไม่มีความสงสัยจึงสมว่าศาสราองค์เอกไม่เคยเหลอกลวงต้มถุนสันโลกแม้นิดเดียวไม่เหมือนที่เลสการกิเลส น, นี้มีมากมีน้อยจต่ ม, ม, ม, มีตั้งแต่การหลอกลวงต้มถุนจัดโลกให้โล่มจมก็ตามันทั้งนั้นไม่มีกิเดตตัวใดสกุลใดที่จะมาสอนโลกเพื่อความจริงไม่มีมีแต่ความเพื่อความจำลองต้มถุนนจัดโลกแต่รับความนำหลักนำบนตลอดมานี่คือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมีแต่ความจริงล้ว น, น, นที่เจ้าทรงสอนไว้ให้พากันตั้งใจบกุศลปฏิบัตินะเรื่องมรรคผลที่ผ่านยาไปให้กิเดตมาหลอกลวง ว่าสิ้นเขตสินสมัยว่าศาสนาเลียวแหลมถ้าเลียวแหลมก็เลียวแหลมอยู่กับตัวของเราเองหมดเขตหมดสมัยเขาหมดในตัวของเราที่เป็นโมฆะแล้วนั่นแหละหาสารไม่ได้หาคุณงามความดีประจํากา ร, ป, รปฏิบัติของตนไม่ได้แล้วก็เรียกคนโมฆะพระโมฆะเนนโมฆะเป็นโมฆะภิกษุแล้วไม่มีละคำว่าวัคโนิพพาน ถ้าเราทำตัวของเราเนี่ยถ้าทำตัวให้เป็นไปตามสวภาษิตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนั้นจะเป็นความรับรู้นิยามต่อจิตใจใจนี่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาเพราะถูกพิเดียยั่งยีตีแหลกอยู่ไม่มีวักมีตอนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนพิเดียไม่มีความชนาคำภาว่าอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีกิเดียจะอ่อนกำลังชลาคำภา ต่อไปนี้กิเลกก็ขิ้นเขตขิ้นสมัยจะมีแต่มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีกิเลสมีแต่ความแข็งคร้าวตลอดเวลาเหมือนสายยางดึงไปนี่พร้อปลุกมือ น, นี่สายยางจะพับพับดึงเข้ามาเลยนี่แหละความของกิเลส ด, ดึงดูดจัดโลกเหมือนสายยางดึงดูดนี่แหละนี่แหละจะให้กิเลสอ่อนตัวไม่มีกิเลสมีความค้ามข้าไม่มี ให้กิเลสตายไปแล้วไม่กุศลากิเลสนี้ไม่มีแต่กิเลสมากุศลาพวกเราความที้เกียดกุศลาเอาบ้างความไม่เอาไหนกุศลาเอาบ้างความหน้าดื้อนานดานฐานธรรมข้ามเป็นหลักธรรมหลักในมากุศลาเอาบ้างมากุศลาเอาบ้างสุดท้ายกับวิ่นตามเป็นว่ากับโลกกับ롱ฐานไปเห็นเขาเป็นยังไงก็เป็นเขาเขานี่กิเลสก็ตามกุศลาไปเรื่อยๆกุศลาไปเรื่อยๆ นั่งอยู่ก็คีดเกียจกิจท่านแนวไหนนั่งอยู่ก็คิดแต่ทางโลกทางอุษสารีิเลส ก, กับกุศลาเอาเรื่อยๆและวสุดท้ายมีแต่กุศล ก, กิเลสกุศลาวันย่างข้ามคืนคืนอย่างลูกของพระของใดองหนึ่งแล้วพระองค์นี้ก็คือพระกุศลาของกิเลกนั่นเองแล้วมีความหมายอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรให้ทํากุศลาที่กุศลาคือความทลายแก้กิเลสตั้งเท้าออกจากปิศาจของตนให้หมดให้สิ้นไปโดยลําดับลำดาภายในใจ เรื่องมรรคผนิพพานไม่ต้องถามจะเป็นขึ้นจากกา ร, พรเพราะเดียเพราะธรรมวินัยผู้เจ้าทรงแสดงไว้แล้วเรียกว่าสวขาดธรรมไม่เป็นอื่นเป็นใดที่จะแก้ไขจะแปลงใหม่ได้แล้วเป็นความสงเส้นคงวาหนานแน่นขอให้พากันปฏิบัติจําจัดพิเรดด้วยอด้วยธรรมเจ้าเราจะเป็นที่พอใจเรื่องมรรคนิพพานนั้นผู้ผู้เจ้าทรงสอนไว้เพื่อมรรคนิพพานทางนั้นไม่ได้สอนไว้เพื่อความเป็นโมฆะ แล้วอย่าอุตลัไปเปี่ยนกว่าพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าเห็นว่าอะไรผิดเราถือว่าถูกไปเสียทิเลดว่าถูกนั่นนะย่ามีตัวเองแล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าว่าดีทีเลดว่าชั่วนีออ่ก็เอาอีกเอาอีกมันมีแต่กิเลสแต่ยิได้ทั้งฉันทั้งผมนะพวกเราแหลกไว้ด้วยอํานาจของกิเลสมันตีให้แหลกทั้งฉันทั้งผมให้พากันตั้งใจตั้งคุยปฏิบัตินะ เราตั้งใจปฏิบัติตวัวของเราล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดขอให้มีธรรมในใจเถิดพระเราหนะอยู่ไหนสบายกานอยู่การชินการใชใ้สอยทุกอย่างนี้ประชาชนเขารับรองไว้หมดชีวิตจิตใจของพระไปที่ไหนไม่เคยโอดอยากขาดแคลนว่าพระตั้งใจงไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปที่นั่นที่นี่ไม่มีใครใส่บาตรไม่มีใครทําสถานที่อยู่ไม่มีใครถวายจรงจีวร ให้ได้นุ่งได้หม่มปาหั่มอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีพระตั้งใจประจิตหวัดีแต่ปะหัป่ปะคขยไปเพราะไม่มีใครมีศรัทธาอย่างนี้ไม่มีมันมีนั้นตั้งแต่เราละปล่อยหาปล่อยผล ด, ด้วยความผีนี้โอตประไม่มีในใจมันก็ลืมลืมละอายบาปบาเสียงเรียกว่าปล่อยหาปล่อยคขยแบบนั่นแหะนี่ปล่อยด้วยหลักธรรมชาติามมของความไม่มีสติความไม่เอาไหนความไม่มีจิตใจต่อธรรมทั้งหลายนี้เป็นเรียกว่าพวยกายไปเลย อย่าให้เป็นพระปื่อยกายเรยนเปื่วยกายมันดูไม่ได้นะให้มีห่้วตะปะประจําตัวอยู่สมออยู่ไหนอยู่เถอะถ้าเราอย่าไปเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ามีราคามากที่กว่าทำจะทําให้เราตรงสิ่งที่ว่ามีราคามากกว่าทำนั่นคือเจเละหลอกสัตวโลกเราให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีหลวงตานี่เป็นห่วงมันตาลูบหลานทั้งหลายมากยังต้อง เวลาได้มีการแนะนําสั่งสอนนี้จึงสั่งสอนเน้นหนะักในเรื่องหลักธรรมหลักวินยัยพระวินัยนี้เป็นสําคัญมากที่สุดนะเป็นลวดกั้นให้เราก้าวเดินไปตามสายแห่งธรรมแล้วจะคงต่อมาคุณนิพพานถ้าข้ามพระวินัยไปเสียนั่นแหละเป็นการสังหารตนเองแหวกแนวออกไปจากทางที่ถูกต้องแล้วจะลงหลุมลงห่อลงเหวไปทั้งเป็นนั่นแหละให้พากันระมัดระวังให้ดี พระเหล่านี้สวยงามอยู่ที่ศีลสงบลมเย็นอยู่ที่ศีล น, นะยังไม่มีอะไรมีศีลบวชในวันนั้นอบอุ่นแล้วนะแล้บวชวในวันนี้แล้วศีลของเรารักษาเต็มที่แล้วอบอุ่นแล้วร้อยยี่สองรอยี่สิบเท่าไร่หรือมากกว่านั้นเขาอุอ่นปัะจามกันหมดด้วยการรักษาของเราให้ตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาจากนั้นให้การบําเพ็ญภาวนานะ่ออยู่ที่ไหนให้มีการเดินจกรมนั่งสมาธิภาวนาถูกตามหน้าที่ของพระ ในครั้งบูตการท่านดำเนินมาอย่างนั้นอย่างนั้นทุกวันนี้มันจะไม่มีนะทางจงกรมของพระจะไม่มีที่ภาวนาจะไม่มีไปที่ไหนมีตั้งแ่้วมแต่ฐานของพระที่สร้างขึ้นอย่างหรูหราฟูฟ่ฟาอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมันมีแต่ส้วมแต่ฐานทั้งนั้นในสายตาของธรรมธรรมแท้ไม่มีอะไรสะอาดยิ่งกว่าหัวใจที่ปฏิบัติตนเป็นธรรมเริ่มแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมถตาธรรม สมาธิธรำปัญญาธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปสะอาดสะอาดขนาดไหนดังทำครูเจ้าที่แสดงอยู่เวลานี้สะอาดขนาดไหนทำมองดูขิ้เล็มันประดับประดาตกแต่งตัวของมันบริษัทบริเวณหรือว บ, บ, บ, บ, บริเวณของมันที่อยู่แม้แต่ตัวของเรากิ้เล็ดให้มาตกแต่งให้สดสวยงงามอั น, นั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเป็นเรื่องของขีเล็ดทั้งหมดตกแต่งเพราะอะไรขิเล็มันสุขาพบอรุ ต้องมาตกแต่งให้สวยงามประดับนาร้านหลอกโรคต่อไปหลอกโรคต่อไปโลคตาบอดมันก็วิ่งไปตามพิเรศอั น, นั้นสวยอันนี้งามอันนั้นไม่ดีตกแต่งดัดสิ่งภายนอกภายนอกไปภายในหัวใจมันไม่ไอยู่มันเป็นฟืนเนภายในหัวใจทีนี้พระเด่นเราก็เหมือนกันไปที่ไหนพระประมฐานเรานี่น่ะไปหาแต่สร้างโน้นสร้างนี้ดูหลาฟูฟ่ฟาแข่งบ้านแข่งเมืองเขาอันนั้นมันเป็นอิดเป็นปูนเป็นหินเป็นสายไม่ใช่พิเรศเสี้ย เสียบหัวใจพระนะไม่ใช่พิเดษเสียบแทงหัวใจพระไม่ใช่พิเดษเผาหัวใจพระนะพิเดษเผาหัวใจพระมันอยู่ที่ใจของเราต่างหาก <c oughs> นี่ยนะพราะงอั้ น, นยาพระกันยุ่งอย่างวุ่นวายจนเกิดเหตุเกิดผลให้สร้างหัวใจให้มีความสะอาดสะอา้านแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้ในะการอยู่อย่าไปดูแล้วนฟะาเว่งตามพิเดษอันนั้นเป็นเรื่องของโลกของสารมันเลยกลายเป็นส่วงเป็นฐานไปเจอวัดทั้งวัดกลายเป็นส้วงเป็นฐาน พระเด่เป็นช่วงเป็นฐานเราตามกันเพราะมิ่งตามพิเรกหาความสะอาดไม่ได้มีแต่ความสะกปรกรกลุมมลำด้วยความฟุง้งเฟอ้อเหิ่อมลืม่มเนื้อลืมตัวซึ่งเป็นเรื่องของช่วงของฐานทั้งนั้นเต็มพระเต็มเด่นเรามันน่าอยู่ไหมล่ะพิจารณาให้ดูหัวใจของเราเนี่ยดูหัวใจให้สะอาดสะอาดอยู่ไหนอยู่ได้หมดขอให้ใจพอตัวใจใจมีความสงบเงียบใสะดวกสบายภายในตัวแล้วอดก็อยู่ได้สบายอิ่มอยู่ได้สบาย อยู่ไหนอยู่เป็นอยู่หลับนอนชั่ววายหมดผู้มีทําในใจไม่ผุ้เฟือหอพอดีทั้งนั้นแต่ผู้มีแต่เกลียดภายในใจอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอตกแต่งกขาตกแต่งทั้งสิ่งภายนอกหัวใจลกลุงลังยิ่งกว่าเส่วงหัวฐานไม่ยอมกําจัดปัดเป่าช้านั่งมันบ้างเลยมันก็มีแต่หัวใจเ่วงหัวใจฐานเต็มพระเต็มเนร เ, เ, เต็มวัดเต็มว่าแล้วเจ้าของก็ดูเจ้าของไม่ได้คนอื่นเขาจะดูได้อย่างไจ้าเจ้าของ มีความชำระสัตว์สางเจ้าของให้ดบให้ดีจิตใจสว่างสบยอยู่คนเดียวก็สบายนเนี่ยใครจะมาคบค้าสมาคมไม่คบสมาคม เ, าเราก็สบายถ้าเขามาคบค้าสมายมของเขาก็เป็นมงคลแก่เขาเอ ง, นงเนี่ยให้เราปฏิบัติอย่างนั้นนะให้ชำระภายในสร้างภายในสิสร้างใจของเราด้วยอัดด้วยทำสร้างศีงให้สมบูรณ์แบบสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างวิมุติลุกพ้นขึ้นที่หัวใจตลอดเวลานี่คือพระทำงาน เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรด้วยหน้าที่การงานเพิ่มชะลักที่เด็กไปโดยลําดับเราจะได้ครองอัดครองธทำที่ผู้เจ้าสมประกาศไว้นานเมื่อไหร่บ้ามรรคนี้พานอยู่ที่สอบคาธรรมท่านตรัสไว้กับสอบคณาธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามสอบคาธรรมแล้วมรรคนี้พานจะเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติตามสอบคณธรรมได้โดยสมบูรณ์นั่นแหละถ้าเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะของพระเรานี่แหละการปฏิบัติ ดูที่จิตใจนะเราจะไปตําหนิติเตียนขาดสนาของเจ้าไม่มีอะไรที่ตําห น, นิการตําหนิติเตียนขาสนาของเจ้าเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมมันตําหนิติเตียนตัวของมันเองไม่เคยสร้างความดีแต่เมื่อเขาสร้างความดีมันไปตําหนิมันไปทำํปทำลายพวกนี้พวกเปรพวกผีของกิเลสแต่และประเภทกิเลสก็มีเปรมีผีแทรกในตัวของมันมันออกได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละให้เราระวังเปรผีเหล่านี้อยู่ที่หัวใจเรานะ กิเลสมันเกิดที่หัวใจเรามันจะสร้างทุกแบบทุกสบับให้เราล้มจมไปตามมันหลงไปตามมันจมได้นั่นแนะหลพากันตั้งใจม ะ, จะพูดปฏิบัตินะเรื่องความภาคความเพียรเพื่อมากเพื่อผลขอให้มีเป็นหน้าที่เป็นความจําเป็นสําหรับพระสำหรับเนรเราอย่ายุ่งอย่างวุ่นวายกับเรื่องภายนอกจนเกินเหตุเกินผลมันเวลานี้ศาสนากลายเป็นโลกไปแล้วเขากิเลสตนืนเอาคื้นเอา อะไรก็คืนไปเป็นโรคไปหมดคืนไปเป็นกิเลสไปเสียหมดถ้าทั้งองค์มันก็คืนได้สบายเนนทั้งองค์คืนได้สบายวัดทั้งวัดมันตืนได้สบายกิเลสมันปากว่างมากนะมันคืนให้เป็นกิเลสไปหมดเรื่องของวัดท่องวากลายเป็นช่วงเป็นฐานถ้าอาธิธรรมที่จะติดอยู่พอให้เย็นใจกับวัดกับวากับพระกับเนรไม่มีและไม่ค่อยมีและไม่มีเลยอย่างนี้เป็นยังไงศาธาวุฒิเจ้า มันก็เท่ากับวศาสนามาหลอกโลกศาสนาท่านไม่หลอกพิเลศนั่นแนหะมันหลอกโลกให้หลงให้เหยียบย่าทําลายศาสนาหาว่าไม่มีมรรคมีผลไม่มีกุญงามความดีไม่มีบาปไม่มีบุญนรกสวรรค์ไม่มีนีแต่เรื่องทิเลศมันทําลายสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนอย่าไปตาหนิใครนะให้ดูที่หัวใจของเรานี่ละ ว, วันนี้แท้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบหลกักความจริงของพระพุทธเจ้าที่พาบําเพ็ญมาดังที่กล่าวมานี้ พอบวชเข้ามาแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาให้บำเพ็ญชำระจิตใจคนด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้โดยลําดับลาดาให้อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความพอดีอย่าอยู่ด้วยความดีดความดิ้นทะเยอทยานเหมือนโลกสงสารเขานั้นไม่ใช่ธรรมผู้ที่อยู่ด้วยความพอดีพอดีด้วยสติพอดีด้วยปัญญาพอดีด้วยความภาคความเปลี่ยนและอยู่การกินการหลับการนอนที่ไหนเหมาะหมดถ้าคนมีธรรมวินใจและไม่ดีไม่ดิ้นนะวันนี้ก็แสดงธรรม เพียงขนาดนี้แหละขอให้วันด า, าลูกหลานได้นําไปพิจารณากามวัตถิพันธ์ปัตธรรมให้ถือเป็นความจําเป็นสนหลักเราใน ก, การกระทำก็เห็นว่านึกเหนื่อยเยลาข อ, ขอความสวัสดีตรงมีแก่บรรด า, าลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอเ <c oughs> หนื่อยใช่ไปที่ทมาเหนื่อยว่าเพราะงั้นแล้วยเทศไปห้มันเหนื่อยก็่เหนา น, น